ข้าบัญญัติหนก็ภิกษุณีใดมีพันษาต่ำกว่า12บวชให้คุณติดาต้องอบัตปายกิตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปฉบ